ศาสนาไม่อยู่ในที่ใดที่นั่นก็เย็ยนศาสนาโบกผู้ปฏิบัติศาสนาบกค้่องในที่ใดที่นั่นก็ร้อนศาสนาไม่มีเลยก็เป็นไฟเราก็เป็นขณะขณะใดมีศาสนามันก็ติมีปัญญาพิจารณารักษาใจอยู่ใจก็เย็ยน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 เป็นขั้นๆความยุ่งยากความลําบากในการปฏิบัติแต่พ่ออย่างยิ่งกว่าคือเบื้องต้นมันยากไปอีกแบบหนึงคือยากไม่เห็นต้นเห็นปลายไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรได้รัจากสําหรับตําร า, ราหรือค ร, รูบาอาจารย์ท่านสอนมาพองูปลปลาก็เอามาปฏิบัติตอนนี้มันยาก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 ในงานทังเราที่ทําว่าถูกหรือผิดบ้างมันก็พอจะได้มาทดสอบตรงนี้แล้วหายความยึดมั่นถือมั่นและความอยากันนั้นลงมาความทุกข์ก็จะเบาบางลอันนี้ภาวนาไปกําหน ด, ดอะไรก็มีแต่จะให้รู้ให้เห็นนรรคผลนิพพานถ่ายเดียวซึ่งคาดเอาไว้นั่นเองนิจรคัญจะเป็นอย่างนั้นพมลโลกจะเป็นอย่างนี้นิพานานพานจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คาดไปเดาไปแล้วความอยากมันก็ดุลแรงอยากดูอยากเห็น จากพ้นทุกข์แต่การปฏิบัติมันไม่ก้าวทมันจะอยากเฉยยืนอยากนี่เฉยยืนยากนั่งอยากนอนอยากนั่งภาวนาเออก็มันไม่ทํางานกับภาวนาอมีแต่ความอยากเดินตรงกรมี่ต่มีแต่ความอยากลืมงานที่ทํามันก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะเหตุไม่เป็นไปตามจิดที่หมายแล้วจะตถึงจุดที่หมายได้ยังไงมีเคยเป็นมาแล้ว ลำบากตอนนี้พอนน้พุโทโธพุโทโธเนี่ยะพุโทโธที่ความอยากมันไปแทรกเข้ามามิได้อยากรู้อยากเห็นอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตมันเลยเพลินไปกับความอยากจนมันลืมงานแต่ของแล้วทีนี้ผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลเพราะมันเกิดความเหอยล้เสีอใจ มั น, นเป็นอยู่เสมอภายในจิตใจแต่จะเป็นทีไรก็ตามไม่เหมือนกับปิดที่มันเสื่อมหม่ปิดเสื่อมร้อนมากจริงๆก็เคยเห็นเหตุเห็เหผลได้รับความสะดวกสบายสงบเยือเยน็นภายในจิตใจมาแล้วปรากฏเป็นพื้นเป็นฐานอยาา่างชัดเจนเสร็จแล้วก็มาเสว่อมไปเสียปิดนี้ร้อนมากจริงๆร้อนจนจะมีที่ยับที่ยั้งดีอยู่อย่างหนึ่งเพราย่ยอร้อนมันก็ไม่ถอย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 ในขนาดที่กิดเสื่อมหาที่ชิ้นดีไม่ได้เลยนะไม่สรามเป็นไงความร้อ น, นการบวชในศาสนานี่มีคั้งนั้นเป็นร้อนมากที่สุดร้อนเพราะความอยากได้เสียใจที่กิดเสื่อมลงไปทําไงก็ไม่ได้เสื่อมลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือสักาตางปรากฏว่าเหมือนไม่เคยเพาวนาเลย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 อยากก็อยากนั่นน่ะไม่รู้วิธีการที่จะทําให้มันกลับมาได้มีแต่ความอยากความอะไราอาวรณึคนที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นความแปรกลาดลอศจารย์ภายในจิตใจแต่ได้หายไปเสียมีแต่ความเส้ยใจเต็มหัวใจอันนี้ความอยากก็เฉยมันา็ไม่สามารถที่จะยังทําที่หายไปนั้นคืนมาได้ถึงกระทั่งมันหมด อะไรตายอยากั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วน้องก็ทอดทุระ่องทอดทุระลงในหน้าที่อันเดียร์ทันเนี่ยเรื่องผลอะไรที่เคยอยากก็อยากมานานแล้วทุกกระทุกแสนทุกเพราะความอยากก็ไม่เห็นได้อะไรทีนี้หมาเอาไม้และต่อให้มันเที่ไม่หมดอยารู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ละเดี๋ยวเราจะพูดโธทันนี่อยู่ในที่ใดๆก็ตามทีม่ยอมให้เถื่อนเอามันจะไม่รู้จริงๆหรอ ไปไหก็เป็นอพอทอดพุรา้วความความอยามันก็ไม่รุนแรงที่ีความทุกข์นั้นค่อยเบาลงไปตั้งหน้าทาํางานถูกไหมก็พูดโธยยงั้นแหะคือนิสัยนี่เป็นนิสัยอย่างนั้นมาดั้งเดิมมันเอาจริงเอาจังตอนนี้ได้ชมคือเป็นนิสัยจริงจังเดินปัดกวาดก็ไม่ยอมให้เผลอพยายามอยู่งั้นแ่ะปัดกวาดลันมัดนั้นมาปันี้พยายามระมัดระวังถึงเผลอไปชั่วขนะ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 ความหลังแบบเป่าๆแบบไม่มีเหตุมีผลแบบไม่ทำงานเอาที่นี่จะทำแต่งานทำแต่งานเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาโดยถูกต้องมันก็สงบค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาแน่ น, นเข้าไปแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงระดับเก่าทีนี้แปแล้วที่ถึงระดับเก่าก็พอดอะไรว่าอย่างนั้นอีกเช่นกันอ่า มันจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราเคยต้านทานพอแล้วมันก็ไม่เห็นได้เกิดประโยชน์เสื่อมไปแล้วก็เสื่อมไปเถิดแต่พุทโทธจะไม่ยอมละอยู่นั่นเป็นประจำพอถึงนั้นแล้วไม่เสื่อม น, นั่จริงแน่วแน่นลงไปโดยลำดับแน่นหนามันคงขึ้นโดยลําดับนั่งที่ไหนก็สว่างเบาจิตเบาใจโล่งไปหมดอันนี้ไม่เสื่อม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 เคยหวังแล้วไม่เกิดประโยชน์จะเอาเท่านี้แหละเอาอันเดียวเท่านี้เอาพุโทโธอืตอนนี้ที่พูดถึงเรื่องความทุกข์ทุกมากจริงๆแต่เดชท่าอย่างหนึ่งที่จิตไม่ถอยนี่เราจะเอาท่าเดียวนี่ยพอทนพอสู้กันได้น ะ, ะว่าถอยเยั่งดีจะ ด, ดีกว่านี้ก็เป็นลรกหมดไปเลยไม่มีแล้วจากนั้นมาก็ เรื่อยมากี่เดือนก็แน่วแน่ยิ่งมั่นคงเข้าไปมั่นคงเข้าไปส่วนคําบริกรรมพนาไม่ยอมลดละจนกระทั่งจิตเด่นอยู่ตลอดเวลาแล้วถึงจะปล่อยคือความรู้ของจิตนั่นแ่ะความรู้นั้นแ่ะมันเป็นที่พึ่งพิงได้แล้วโดวยไม่ต้องอาศัยคําบริกรรมอะไรมาช่วยสนับสนุนมันรู้เองอ่าที่นี่ไม่บริกรรมก็ได้พราะเด่นตลอดเวลากําหนดตรงนั้นเลยไปไหนกําหนดอยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้น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 มี่เป็นฐานของกิตเป็นที่แน่ใจจากนั้นมาเอาละถึงเล่งใหญ่นี่ตอนจะนั่งตลอดลุ่มนั่งอ่นะจากนี่ละจริงเริ่มนั่งตระหล่ำลุงกำหนดกันลงไป ก, กําหนดไปลงไ ป, กกงไปทีแรกมันก็นลงเพราะมเคยลงมันลงนง่ายๆแา่ว่ามีหลักมีฐานอันดีนกําหนดภาวนาลงไปเมื่อเวทนา อันใหหลวงยังไม่เกิดมานะพอหนาําก็สงบพอมันถอยขึ้นมานีมันก็หลาเขวโมงเข้าไปเวทนาใหญ่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนั้นล่มไปหมดฐ <c oughs> านดีๆนั้นล่มไปหมดเหลือแต่ความทุกข์เต็มในส่วนร่างกายแต่จิตใจไม่ร้อนข้าบกลร่างกายชันไปหมดทั้งตัวนี่แหละตอนใเข้อตะลมบอนกันในเบื้องตน้นหงเหตุที่จะได้อุบายสาคัญ้ำันขึ้นมา ตอนทุกเวทนาคือคือนวันนั้นก็ยังไมไ่ตั้งใจว่าจะนั่งตลอดรุ่งนะยังไมไ่ตั้งสัจจะฐานใดเลยนั่งธรมรมดาธรรมดาแต่เวลาทุกเวทนามันเกิดขึ้นมามากเอ๊ยยังไงนี่เราจะต้องสู้ให้เห็นเหตุผลเป็นผลเปเวทนาหน่อยถือวันนี้เลยตั้งสัจจะในขณะนั้นเลยอ้าวถ้าไม่ถึงเวลานั้นไม่ดุกถ่งเอาเลยเอาตรงนั้นหมายถึงสว่างเป็นวันใหม่วันนี้จะพิจารณาทุกเวทนาให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดกันสันที ไม่เห็นมันจะตายเราให้มันตายเราถี๋ไม่รู้ว่ะขุดกันลงเลยทเนี่ยตอนปัญญาเราไม่ทราบไม่คาดไม่ฝันว่าปัญญามจะมีความแหลมคมเวลามันไม่ไมีทางมีทางไปจริงจริมันหมุนติ้วเลยปัญญามันออกสู้กันเลยจนกรอบเวลาจนกรอบปัญญามันเกิดจริงคนเราไม่ใช่โง่อยู่เรื่อยๆไปเวลาจนกรอบหาวิธีช่วยตัวเองได้จนได้แหละขุดคน้นถึ ง, เเงหนังทุกเวทนาคิดเห็นเวทานาเกิดขึ้น มากมากนี่มันเป็นไฟไปหมดที่แรกมันก็ออกร้อนทําหลังมือหลังเท้าไม่ใช่เวทน า, าใหญ่ตัวอะไรเลยเวทญาใหญ่จริงๆมันหมดกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นที่ติดต่อกันนี่ที่ตรงไหนเหมือนมันจะแตกทั้งนั้นโกรงสร้างกระดูกต้นคอมันก็จะขาดหัวจะขาดออกไปมันพอๆกันเวลามันทุกขเวทน า, าพอๆกันทั่วๆไปหมดทั้งร่างกายนี่พอๆกันหมด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 ถามุกุลกายส่ว น, นต่างๆอาการต่างๆ ต, ต, ต่างอันก็ต่างหนังก็เป็นหนังเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นมีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ปรากฏว่ามันเป็นทุกข์มาตั้งแต่วันเกิดติดต่อกันมาเหมือนเนื้อนหนังที่มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดนี่กาหนดลงไปอวัยวะส่วนไหนซึ่งเป็นฝ่ายรูปนันก็กินใครกิงมันหรือไม่ถ้าทุกเวทนาเวลานี้มันเกิดอยู่ตรงไหนถ้าว่าชิญญนีน้เป็นเวทนาทั้งหมดทําไมามันมีจุดเดียวที่มันหนักมาก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 มันชัดเข้าจริงๆแล้วเวทนาก็หายวูบไปเลยกายคือสักแต่ว่ากายกินของมัน อ, อยู่แค่นั้นเวทนาศักดิ์เวทนามันหายวูบเข้าภานจิตนะไม่ได้ไปที่อื่นว่าหายวูบไปที่นี่ระหว่างหมดทุกเวทนาดับหมดนอกจากนั้นแล้วกายหายหมด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 เดื่อวแต่ความสักจะวรู้จะแ่าคิดแบบปรุงเป็นอย่างนั้นปรุงไปนี่ก็แล้วนี่นะไม่ปรุงเลยเมื่อไม่ปรุงแล้วก็เรียกว่าไม่ขยับขยือ่นอะไรทั้งนั้นแน่วความที่แน่อยู่โดยลำพังตนเองคือจิตล้วนๆแต่เราไม่ได้หมายถึงอวิชานะคืออวิชามันก็แนบอยู่ในนั้นแนหะพราะจิตยังไม่ถอนต่ออวิช า, ามันมีแต่จิตล้วนๆกับอวิชาซึ่งไม่ออกไปทํางานปุ๊นึงอานสงบอยู่ใ น, นนั้น เกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาหมดทุกเวทนาไม่เหลือกายหายหมดสิ่งที่ไม่หายมีอันเดียวมีความรู้อันละเอียดที่สุดที่พูดไม่ถูกคือสักแต่ว่าปรากฏเท่านั้นเราพูดนอกไปจากนี้ไม่ได้สักแต่ว่าปรากฏสิ่งที่สักแต่ว่าปรากฏนั่นแหละคือความอัศจรรย์ยิ่งในขณะนัน้นก็อยู่กับนั่นแนว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 เทเดียวกรเพื่อมก็อีกยับอีกหายไปพร้อมแล้วค่อยถีเข้าถีเข้านั้นเนี่ยจิตเวลามันลงถึงฐานมันเต็มที่แล้วขณะที่มันจะถอนมันไม่ได้ถอนทีเดียวมันมันเข้ามันมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นมันค่อยกระเพื่อมคือทั้งขามันปุุงยับขึ้นมานึ่งแล้วหายเนียบยังไม่ได้ความหมายอะไรเลยเกระเพื่อมยับระดับไปพร้อมเท่งเดียว ยับขึนมาแล้วก็ค่อยๆทีเขาพราะทีเข้าถึงเวลาสุดท้ายรู้สึกตัวถอนขึ้นมาเป็นจิตธรมรมดาแล้วก็รู้เรื่องร่างกายเวทนาก็หายเงียบเวลาจิตถขึ้นมาแล้วเวทนาเขยังไม่มีหายเงียบนี่ได้หลักที่นแน่ใจเกิดความพิจารณาว่าได้หลักในการต่อสู้ทุกเวทนานี้ได้หลักเบื้องต้นอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกเหมือนเป็นอันหนึ่งต่างหากแท้ กายเป็นหนึ่งต่างหากทุกเป็นหต่างหากจิตเป็นหนึ่งต่างหา ก, นหนตหากแต่เพราะความลุ่มหลงเราจึงได้รวมทั้งสามอย่างนี้มาเข้าเพิลันเดียวกันเลยกลายเป็นความหลงทั้งทั้งดวงถ้าจิตจะเป็นจิตหลงทั้งดว ง, ดดล ง, ง, ดวงแล้วไฟเหล่านี้มันเกิดตามธรรมชาติมันก็ตามแต่เมื่ออามาเผาตัวเองแล้วมันก็ร้อนน่ะเพราะความสำคัญ น, นี้เองไอ้ก้อนรู้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 อ, อุบายวิธีที่เราเคยพิจารูกครั้งนั้นมาแก้ทางนี้มันไม่ได้มันต้องเป็นอุบายสดๆร้อนๆเกิดขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันลงได้อีกนะในคืนได้อย่างนั้นลงได้ถึงสามผลอย่างเอากันอย่างตะลุมบอล่ะถึงสามผลพอดีสว่างโอ้ยเกิดความอาดความหานันลื่นเริ ง, ร ง, รงไม่กลัวตายทุกมันจะมีมากมีน้อยเทียงไรก็โทุก ก็เป็นเรื่องของมันธรรมดาถ้าเราไม่ไปแบบไปหามันแค่เท่านั้นทุกก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรนานจึงมันรู้ทัากายมันก็มีความหมายอะไรในตัวของมันแล้วมันก็ไม่มีความหมายในตัวของเราดีนอกสิทธิ์เราไปให้ความหมายมันแล้วก็กรอบไปเอาทุกมาเผาตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดมันชัดเจนอ๋อพอตื่นข้ามานี่ใหม่มันห้าวหานอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ มันเกิดความห้าวความหานอะไรพูดไม่ถูกเพร า, าะอาจารย์ไม่เคยเห็นอาจารย์แบบนั้นตั้งแต่เราปฏิบัติมาเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นมันขาดว่าขาดตอนแล้วก็รวมแบบนี้คือรวมด้วยความโมฆะขอ า, าหาัน ร, รวมด้วยการพิจารณารอบหมดแล้วมันถึงสงบตัวเข้าไปเ <ME> มื่อถอยลงมามันก็ต้องเกิดความอ่านหาันมาเราได้พิจารณาอย่างนั้นนั้นเราเคยพิจารณาอย่างนั้นนั้นมาแล้วหน่ามันรู้ทันถึงจะเป็นขึ้นข่าวหน้าข่าวหลังเราก็ไม่กลัวเพราะเป็นธรรมชาติอันเก่าคือทุก ข, ข์ก็ทุก ข, ข์นกขขนกขหน้าเก่า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 ผ, ผลผลได้ฟันหลังเงื่นอนก็ดูนี่เป็นส่วนทา่าดินทา่าดินมันเคยตายเมื่ อ, อไหร่สลายลรื่องไปแล้วเป็นยังไงกําหนดตามก็แนวลงไปสู่ทา่าเดิมของมันท่านน้าก็แนวลงไปสู่ทา่านน้าตามเดินทา่ทานลมทัาไปลงไปสู่ทา่าเดินของตอนเท่านั้นไม่ได้มีอะไรคิปหายมีแต่เพียงมาทา่าเหล่านี้มาประชุมหรือมาผสมเข้ากันแล้วเป็นก้อนอาศรรัยกิจเข้าไปสิงแต่ตัวเจ้า มหาหลงนี่เข้าไปสิงเขาฉนั้นเขาไปแบกอาหมดนั้นมาเป็นตัวของตัวไปจับจองนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราจรึง ป, ประกอบกลัวทุกข์นะด้วยความสําพันนั้นขึ้นมาเผาหล่นตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนัตัวจิตนี่เองเป็นนักโทษนั่นธาตุขันเขาไม่ได้เป็นนักโทษเขาไม่ได้เป็นตัวฆ่าสึกอะไรแกเราเลยเขามีความคิดของเขาอยู่นั้นแต่เราไปแบกไปหามไปทำขัญต่างหาความทุกข์เป็นเป็นเราเป็นผู้ผิดขึ้นมาเองจริงๆนั้นไม่ได้ผิดให้เรานะ ไม่มีอะไรมาให้ทุกข์แกเรามันเข้าใจเราเองเป็นความส้องการผิดต้งเราเป็นผู้ให้เกิดทุกข์ก็คือความต้องการผิดเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มาเรารุ่นจิตใจให้เดือดร้อนรู้ได้ชัดไม่มีอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นพิจารณาธาตุผิดนิ่นลงลาไฟลงถึงธาตุเดิมเขาเต็มส่วนแล้วจิตยิ่งเด่นชัดนั่นตายตัวไหนตายอะไรตาย อาการอนนั้นมันก็ไม่ตายถ้าถือดื่มน้ำลมไปก็ไม่ตายจิตแล้วมันตายเป็ไหมจิตยิ่งรู้ยิ่งเด่นยิ่งเห็นได้ชัดอันนี้มันก็ไม่ตายแล้วมันกลัวตายอะไรหลอกกันนะหลอกกันมาตั้งกับตั้งกันคําว่าหลอกนะั่นหมายถึงเ้วยกียรตนาหลอกพราความหลงนั่นเองกลัวตายอ๋อมันกลัวโรคกลัวตายกลัวเพรเห็นนี่เรียนไม่ถึงความจริงของมันก็ต้องกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงแล้วไม่ชอบอะไรตายมันไม่มีอะไรตาย ต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านั้นรู้ชัดเจนกิตมันก็อจหารเห็นความจารจันทุกครั้งเด่นเวลามันดับหมดจริงกินทั้งทั้งที่ทุกเวทนามันเหมือนจะส่งเปลียวไปถึงเมฆรือความทุกข์ความร้อนเป็นปุณยเมืองไฟภายนร่างรับแต่แล้วมันก็ดับลงได้ด้วยอำนาจของสติปัญญา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 เหลแต่ความรู้โ ด, ดยลาพังตัเองล้วนๆเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นเป็นความรู้เสีาายวกับจริยจากการที่นานรอบรอบแล้วถอนตัวออกมาจากสิ่งนั้นเด่นทักเจนน่ะอาจาัจฉริยะถ้าลงใกจิตได้ถึงไปเป็นเช่นั้นแล้วมันจะเป็นอยู่กี่วันกี่คืนก็ตามมันก็มีความหมายถึงเรื่องทุกเวทนาว่าร่างกายจะแตกจะดับนี้จะเจ็บปวดที่ไหนมันไม่มีจะอะไรมามีการสถานที่นไม่มีในขณะจิต เช่นนั้นนี่มันก็ทําให้อย่างถึงเรื่องพระสาวกหรือพระพุทธเจ้าหรือพระประเสธพรพุทธเจ้าท่านเข้าสามิโรสสา บ, บัดเจ็ดวันท่านนึกออกเข้าเท่าไรก็เข้าเนี่ยมันแน่ถ้าตรงจิตไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรเลยหรือแต่ความรุนรุนทึ่งศักดิ์แต่ว่าปรากฏนี้เท่านั้นแล้วไม่มีการสถานที่จะไปเกี่ยวข้องจะนั่งอยู่ทางการทางการเขนั่งเธอหน่ะไม่มีอะไรเข้าไปเป็นภัยได้เลยแม้ร่างการมัน มันทนไม่ไหวมันจะแตกก็สลายไปเฉยๆเนี่ยโดยไม่กระทบกินถธรรมชาตินั้นเลยงานจิตมันยอมรับอนี้เชื่ออาจารย้อนี้รหลดฉบับได้ฉบับไดะถ้าจิตเพียงจิตขั้นนี้เท่านั้นไม่ถอนตัวออกมาสู่อะไรอะไรแล้วเข้าไปมันเป็นอยู่นั่นกี่วันกี่เวลานั่นก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเวลาเนร่างกายมันจะพีทุก์ที่ไหนมันไม่มีเลยร่างกายมันมีในความรู้สึกเทวนาเขาอยู่ในความรู้สึก ้แวความรู้ล้นล้วนออนั่งองตั้งกับตั้งการ ก, น, กนั่งได้ถ้าเป็นอย่างนี้อนะ่ะนี่ก็ทำให้เชื่อถึงเรื่องพระโอษฐุริธเจ้าท่านเข้านิโรธสมบัติโดยเถือนี้เป็นหลักฐานยืนดัง่งแม้เราจะไม่ได้นั่งในนานก็ตามแต่ขนาจิตที่มันสงบตัวขนาดนั้นช่วงระยะเดียวก็พอเป็นหลักฐานพยานได้กับท่านที่เข้าสู่นโรธสมบัติได้เนเวลานาน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 เป็นภูมิดเต็มฐานของความสงบเพราะนั้นเท่าปัญญาค้นคว้าอย่างเต็มเหตุเต็มผลและรวมลงไปอันนี้รวมอย่างองค์อาจทหารรวมอย่างละเอียดมากเลยเดียวลําพังจิตที่เป็นประเจิดกลังสมาธิกําหนดแล้วลงไปเลยนี่มันเป็นแนวอยู่เทนั้นเท่านั้นมันมันไม่ได้ลึกได้ละเอียดเหมือนอย่างนี้แต่จิตที่สงบลงด้วยอำ น, นาจของปัญญานี่ละเอียดทุกครั้งไปเลยถ้าเราในตะลุมบานขนาดนี้แล้วเป็นผลขึ้นมาให้สงบ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 มีสัพพะวุลอันเดียวเท่านั้นนะเด่นที่สุดนะนแต่ว่าขันสมาธิหรือขั้นปัญญามันพูดไม่ถูกนะเวลาจิตมันเปน็นเป็นอย่างนั้นจานั้นมาก็เรื่อยเรื่อยพิจารณาเลยออกทางด้านปัญญาเี้ยมันถึงข้ายาขา ย, ายายออกอย่างกว้างขวางแล้วก็ย่นตัวเข้ามาพอเข้าใจเป็นลำดับลำดาแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาย่นเข้ามา เข้าวงแคบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรยเราตึ้งท่าตึงขันแยกขาดแยงขันที่นี้มันจะมันจะเป็นสมมติเหตุต่อประหารคือมันจะละกันได้โดยเด็ดขาดจากการพิจารณาในวาระต่อมาอันนั้นมันมันละกันได้ชั่วการพอให้เป็นหลักฐานพยานดินกันได้เท่านั้นในเวลาที่เราพิจารณามันยังไม่เด็ดขาดไม่เป็นสมมติเหตุต่อประหารในเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเนี้มันเข้าใจชัดชัดแล้วมัน มันขาดถอนออกจากกันขาดออกจากกันขาดกันเป็นลําดับับขาดไม่มีขี้นต่อขาดไปโดยลําดับๆเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นเองรู้ก็ขาดไปจากความยึดมั่นโดยนาสัญญาสังขารวิญญาณขาดจากความยึดมั่นถือมั่นคือความยึดมั่นถืมั่นนี่ขาดจากเขาก็ถูกเลยงานขาดไปเรื่อยๆเหลือแต่ความรู้เคยผิดข่าววิชาสังจมอยู่ภายในนั้นค้นเข้าไปตีให้แหลก ฟันให้หละเอียดละเอียดด้วยสติปัญญาอันทันสมยัยนั้นก็แตกนี่พอนั้นแตกไปแล้วหมดความอาจารยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของวิชาทั้งหมดน่ะรู้แล้วจุงเป็นฐานที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นเชื้อที่ให้เกิดความเชื่อมั่นมาโดยลำหนหน่ะหรือว่าเป็นพระพูดธเจ้าฝ่ายดีก็ดี แต่ถ้าเราจะมุ่งถึงทำมันละเอียดแล้วดีอันนี้มันก็เป็นดีอยู่กับอวิชชานะไม่ใช่ดีแท้ไม่ใช่ดีที่บริสุทธิ์ดีเจยาปนอยู่กับชั่วกับทุกข์ทุกมันจะมีทางเกิดได้อยู่มันจึงต้องจรดนในเข้าไปอยู่ที่็นแลกละเอียดภารกิจอะไรที่เป็นเชื้อที่จะให้มีความแปรแปรป น, นอยู่ภารกิจชําระเอาให้หมดแก้หมดฟอกให้หม ด, หหม ด, หหมดจะไม่มีเหลือแล้วหมด จุดหมดดวงถึงสมมุตินิยมว่าอันนั้นอันนี้หม ด, หมดแล้วแต่ความรู้สึกบริสุทธิ์นล้วนนี่จึงไม่มีสมมุติหมดโดยประการทั้งปวงนั่นหมดแท้แต่ว่าอาจารย์ขึ้นมาอาจารย์เราไม่รังพูดพูด ไ, ไปทำไมไมแต่การกล่าวมาทางนี้ มันยากหรือไม่ยากก็ข อ, อพิจารณากันถึงขั้นจ ะ, จะเสศสลายบางครั้งมันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยขณะที่พิจารณามันก็้สหัสจริงๆเหมือนกับจะเป็นไฟทั้งร่างกายนี่หลยแต่แล้วมันก็ผ่านมันไปได้มันก็แก้มันไปได้ด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของสติปัญญาแล้วกินไม่จนกรอบถ้าเรานํามาใชา้คนเราไม่ได้งูอยู่เสมอไปเมื่อถึงถ้าจนกรอบแล้วต้อง ช่ตัวเองเป็นได้นี่ยใครจะยอมให้จมหรือเฉยทั้งที่สติปัญญาก็มีพอพอจะแก้หรืมีช่องทางพอที่จะเล่นรอดออกมาได้พอที่จะบุกบือนไปได้ใครจะยอมตายจมหรือเฉยจมทุกเฉยต้องหาทางออกจนได้หนึ่งเมื่อทุกเวชนามันเข้าเข้ามาแล้วมีทางใดที่จะแก้ทุกเวชนาก็มีเรื่องสติปัญญาค้นคว้าอย่างนีน้จมีช่องออกจนได้นานปัญญาจึงไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดเมื่อเป็นนักพิสูจนักพิจารณา ถึงขาจนกรอบแล้มันรวมตัวกันมาเองช่วยไปจนได้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้ไปฏิบัติที่สําคัญสาคัญซึ่งเป็นสถานที่จนกรอบนั่นเอ ง, องพุณละง่ายเพื่อลิดเพลิ้สติปัญญาจะได้ทํางานให้เต็มเม็เต็มหน่วยต่พูดถงตามสถานที่นั่นก็ช่วยผิดปัญญาเกิดได้ก็อยูดด่ในที่ปูกรัว สติมันก็ดีปัญญามันก็แหล ม, มคมพิจนาอะไรมันก็คล่องแคล่วแก้วกล้าถ้าได้ ย, ยับความอยู่สะดวกสบายมันก็ขี้เกียจกินมากนอนมากเนี่ยดยนั้นเป็นธรรมดาขี้เกียจมากอืดอากเหนื่อยนายนี่อยู่สถานที่ไม่กลัวกความนอนใจไม่กลัวคือความประมาทอีกแล้วนอนอยู่เหมือนหมูอีกแล้ว อฐานสถานที่กลัวนี่มันตื่นตัวตลอดเวลาคิเมื่อความตื่นตัวมีอยู่ความรู้สึกตัวก็มีอยู่ตลดอดเพราะความตื่นตัวก็คือสติส ต, ติปรากฏอยู่กับตัวก็คือมันก็มีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นความเพียนอยู่เสมออะไรจะมา ส, สามัมผัสสัมพันธ์เราก็เข้าใจเข้าใจเพราะความไม่นอนใจสถานที่ต่างๆท่านยังสอนให้เราอยู่ เป็นเครื่องส่งเสริมด้วยเครื่องสนับสนุนความภาคเพียนเราได้ดีอยู่กุติสะดวกสบายดังที่อยู่อย่นี้มันโอ้ยอะไรก็ปลนปลือไปหมดอาหารการขบการฉันกับล้นท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟอาหารหวานข้าวหลังไหลมาตัดทิศต่างๆหินหินถ้าผู้ไม่มีสติปัญญานล้วก็นอนกอดอาหารนี้เลย รวังเลส่วนทํามันไม่ไดหวังจะได้ครองเลยผมมีกุฏิปัญญาจึงต้องฟิตตัวมีมากมีน้อยต้องหาอบาฟิตตัวระวังตัวเสมอไม่นอนใจ น, น, นี่ก็ยังมีต้องท่าระวังเข้าไปอยู่ในที่เช่นั้นในที่ที่จะไม่ต้องระวังเรื่องอย่างนี้แล้วมันฟิตทุกมันไปอีกแบบหนึ่งะจะเ อ, อะไรมาเหลือเฟื้นลายก็มีแต่ขาดขาดขึ้นคืนบกฟ่อง ข้าวบินธามาบางวันก็พอมันก็ไม่พอก็ไม่วิตัววิจารเพราะอดมากี่วันก็เคยอดเนี่ยจะไปวตกอะไรก็เพียงวันสองวันไม่ไกินอย่างนี้มันไม่ตายเนี่ยมันไปงั้ทนเสียมันก็ไม่เป็นกังวลอาหารกลับอะไรเหล่านี้เหมือนกันมีแต่ข้าวเปากัเยอะแต่ไม่เห็นเป็นกังวลขอเรามาหาอย่างนี้นี่มีเราก็กิน ไ, ปไมปที่อะไรหากับที่ไหนข้าวเลี้ยงคนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายแล้วไม่เห็น คนตายกินแต่ข้าวเป็นรายไปเขากินกับก็บกินมาพอ้แล้วเห็นวิเศษวิโสอะไรวานี่จำหาทำอันวิเศษ จ, จะมาคอยยุ่งกับเรื่องการอยู่การกินมีอย่างเรอยฮะนักธรรมะไม่ใช่นักกินนะเนี่ยแก้งมันไปได้ปับป๊บปับปบปบ๊ั๊บปันะมันก็ไม่มีกังวลผลสุดท้ายมีกังวลนั่นผลจากการแก้ไขตัวเองแต่ร้านมาขันการทำเดิมแล้วเข้าทางกรมหมูติว่วเปนอย่างนั นั่งทอนนาก็ไม่ง่วงอาหารไม่มากมันจะไปง่วงอะไรยิ่งไม่กินแล้วยิ่งไม่ง่วงเลยบายนี่ยอุบายท่านช่วยสอนพราท่านไปทำยกของโมเสนนสนางมั่งเนี่ยเขาอยู่ในป่าใ้เขาทำนราภัยที่เปลียวๆที่น่ากลัวอาหารสับปะยะอาหารที่สบายสบายที่นี่หมายถึงไม่ดังท่านถานให้กาเนิบเป็นโรคเป็นภัย ไม่ยันกินให้กำเริดหนึ่งเรื่องของอาหารสัปปายะอาหารที่สบา ย, ยานี้เข้าเปล่าทาณาดีก็าอาหารเป็นที่สบายก็หลังกินมั่งมากมีจะอาหารมีจะกลับดีๆกินเร่องไารแล้วนอนเหมือนหมูมันจะเป็นที่สบายแล้วก็สบายของกิเลสมันนี่มันไม่สบายคลองอัดคลอง ท, องทำสบายเรื่องของกิเลสเรื่องงูตั้งหากเนี่ยพรว่าอาหาสัปปายาัญต้องหมายถึงเกิดประโยชน์จากการฉัน ทำ น, น, น้อยๆมีเกิดประโยชน์ทำน้อยๆความงงๆมีนั่งเพราะหน้าที่ไหนแนวไปเลยแน่วไปเล ย, เลยถ้าจะเกี่ยวกับการสมาธิถ้าเกี่ยวกับปัญญามันหมุนติว้วมุนไปเลยมันคล่องแค่ทำ ม, มักจะเกิดในที่ขาดแคลนในที่กันดานในที่จนกรอกจนมุมไม่เกิดในที่ด้วยเปลือยไม่ไม่เกิดในที่พรมคื อ, อ ไ, มไม่เกิดในสถานที่สะดวกสบายมันนอนใจเท่านั้นแหละ คำสอนนี่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเราอยู่หอประสาทร า, าชมนณฑลมานานเท่าไหร่ะะเวลาเสด็จออกทรงขณวดครจะได้ทุกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่นพุทธะก็เกิดในที่ช น, นั้นอีกเหมือนกันสาวกมากจากสกุลต่างๆสกุลพระราชามหาเศรษฐีกรุงพี น, นั่นฟังที่ความมั่งมีแล้วออกมาแล้วเป็นสากยบุตรพุทธนีพุทธกินรถของบริจาคแล้วเอาเป็นยังไงเป็นตายก็ตาย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 ทาก็ไม่เกิดถิง่งทุกมีมาก็เป็นหินรับปัญญาค้นคว้ามาเห็นชัดเป็นในเรื่องของทุกถึงก็ตัวรอดไปได้เป็นยอดคนอาระเอวัง